Book 2 3สา6สหกีการขนส่งมวลชนเวียเ j ีย s ซาเบดริสกัยสทรานสปอร์ตป้ายรถโดยสารอยู่ที่ไหนครับคูอร์อตบสาเปตร รถเมคขนาไหนไปกลางเมืองครับคเร็วอผมต้องไปสายไหนครับอาร์วยุตัเยผมต้องต่อรถไหมครับรไวอัผมต้องต่อรถที่ไหนครับ Kur man เ r ีย p า r s ē ž a s t ตั o วรถราคาเท่าไหร่ครับช i กมักซาบรูคชานส์บิเลตเต้ k ี่ป้ายก่อนที่จะถึงกลางเมืองครับชิกเปียตุรุอ l ลิสเซน t รัมคุณต้องลงรถที่นี่ครับยุมเชดย่าสกาปิคุณต้องลงข้างหลังครับ ย u m, m s j ā าสกาบิไป a อซ์โม g ูเรียมดอร์วิมอีกห้านาทีรถไฟขบวนต่อไปจะมาครับนาคมาไอส์เมโรวิลเซนนาอปซอีกหนาทีรถรางขบวนต่อไปจะมาครับนาคไอสรวนาป อีกสิบหานาทีรถเมล์คันต่อไปจะมาครับนาายส์ a อโต้บัสนา s เปซ s ิทส์ปัตมรถไฟใต้ดินเที่ยวสุดท้ายเมื่อไรครับ Cikos ir pēdējais ci m e t r ร Vilciens? รถรางเที่ยวสุดท้ายเมื่อไรครับซ k o s ir pēdējais t r a m v a y s รถเมล์เที่ยวสุดท้ายเมื่อไรครับ c i k o s i r p e d j a Is autobus คุณมีตั๋วรถไหมครับ v i j u m s i r b r a u k š a n a sbilette ตั๋วรถหรือไม่มีผมไม่มีตั๋วรถครับ Bilette n น man nav. าวงั้นคุณต้องเสียค่าปรับครับ ทําอยู s มีอามักซ์สั่งซื้